รู้ว่าอย่าคิดไปเกินกว่านี้เถ้าที่มีก็รู้ว่าดีนักหนาได้ใกล้เธอแค่คำว่าเพื่อนรักได้พบได้เจอได้พูดจาแต่ทุกครั้งต้องหลบสายตากลัวว่าใจสั่น ฉันคิดมากไปกว่านั้นอยากดูแลห่วงใยเธอกว่านี้อยากซึ่งให้เกินกว่าเพื่อนกันกลับต้องคอยเก็บมันทุกวันคำว่ารักเธอเก็บไว้ข้างในใจเก็บมันไปทุกท้อไรคบ ต้องห่างกันไปจงเก็บมันไว้อย่างนี้รักของฉันได้เพียงแค่คิดในใจหากว่าพูดออกไปกลัวต้องเสียใจเกวต้องเสียเธอรักแต่ก็รักได้เพียงเท่านี้ ยังดีเคยขอมีเธอต่อไปไม่ต้องการให้เธอได้รับรู้ว่าฉันกำลังแอบรักใครได้แต่คิดอยู่ในหัวใจว่าฉันรักเธอเก็บไว้ ฉันต้องห่างกันไปจะเก็บมันไวน้ยงนี้รักของฉันได้เพียงแค่คิดในใจหากว่าพูดออกไปกลัวต้องเสียใจกลัวต้องเสียเธอ ไปทุกท้อยคำกลัวมันจะทนให้เธอและฉันต้องห่างกันไปถ mm hmm. ึงเก็บมันไวอย่างนี้รักของฉันได้เพียงแค่คิดในใจหากว่าพูดออกไปกลัวต้องเสียใจ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 I'm s o r r